วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2537 เป็นการบรรยายพระเรื่องอรูปาวจรวิบากจิตโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาท่าน 4 ดวง มาอธิบายจิต 4 ดวงนี้ก็สืบเนื่องเป็นแปล โดยความก็คือจิตที่เป็นผลของ ก็หมายความว่าจิตที่ท่องเที่ยวไปในอรูปตถัมอรูปอรูปอรูปอารมณ์เนี่ยหมาย มันมีอยู่ 2 ชาติกุศลฝ่ายอรูปฌานก็ท่องเที่ยวได้ก็หมายความว่าคนที่เกิดในอรูปพรหมนั้นได้และในเวลาเดียวกัน หมายจึงกําหนดอากาศเป็นอารมณ์เป็นต้นดังที่เราได้กล่าวเมื่อกล่าวๆกันว่า โดยความเป็นวิบากคือไปเกิดบนนั้นเป็นการได้ชีวิต นี่แปลคำพูดคือแปลคําว่าอรูปด้วยอวัจนะด้วยวิบากด้วยก็แปลอย่างนี้แล้วก็มีความหมายในทางอธิบายอย่างนี้ การเวียนว่ายตายเกิดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าปฏิเสธการท่องเที่ยวโดยการกระทําเราอวัจนะ ที่เป็นจุดออกหน้าของความหมาย กำหนดอารมณ์อย่างนั้นให้ได้ผลท่องเที่ยวไปในอารมณ์นั้นอย่างประสบความ แล้วก็มีอารมณ์อย่างที่ตัวเองได้ กลับท่องไปโดยอารมณ์ทีนี้คําว่าฌานที่แปลว่าเพ่งที่แปลว่าเพ่งนั้นมุ่งไปที่เนี่ยก็มักจะ เพ่งอารมณ์อารมณ์แต่ถ้าเติมคําว่าอรูปฌานวิบากเข้าไปก็หมายว่าเป็น อรูปฌานวิบากก็จะเป็นส่วนผลของอรูปฌานเหมือนอย่างคําบางทีเค้าเรียกว่ารูปวิบากเฉยๆก็มีเหมือนอย่างชื่อข้างล่างนะ ตวิบากเฉยๆเนี่ยไอ้โดยความหมายแล้วมันอาจจะส่องความรัดกลุ่มที่วิบากของอะไรถ้าคําว่าวิบากในโลกอาจจะเข้ามาปนตวิบากแปลว่าที่สุกงอมผลไม้ที่ความเป็นผลอันนั่น อรูปฌานิบัติกับอรูปฌิบัติเนี่ยนะอรูปฌานิบัติกับรูปฌานิบัตินั้นมีความหมายเท่ากัน 4 น่ะเรียกว่าอรูปฌานวิบัตินี้ก็ เป็นชื่อเป็นความหมายของคําว่า สภาวะของจิตอย่าลืมว่าสภาวะของจิตที่กําลังจะกล่าวถึงนี้หมายถึงสภาพของอรูปาวจรวิบากจิตเรือรูปฌานวิบากจิตประการ แต่ว่าในรายละเอียดนั้นต่างกันตรงที่ว่าเนื่องจาก 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ทั้ง 5 ที่ 4 แล้วก็ 1 2 ที่ 3 และ ก็หมายความว่าไปถึงจุดตันของการดับหรือระงับความรู้สึกทางจิตก็ว่า อยู่เสมอๆทุกวันไม่มีวันไหนจะไม่ทักทายแล้วก็ไม่มีชั่วโมงไหนที่จะไม่ทัก ต่อไปฝึกจิตให้สงบระงับนั้นก็ค่อยๆถอนนิวรณ์ออกไปไม่ให้มาที่ คือมันเป็นคนละสภาวะธรรมกามนะที่กามสายด้วยสัตว์สายด้วยกับอารมณ์นั่นทีอารมณ์มีติแล้วก็มีอาการทําให้เกิดความหวั่นไหวในดวงจิตจิตเพราะจิตไม่หวั่นไหวมันก็เปลี่ยนอารมณ์อันนั้นก็ นี่ละพูดนี้เพียงแค่จิตกับอารมณ์ไม่พูดถึงความหวั่นไหวใน อกุศลที่จะว่าบุคคลเมื่อทําความชั่วแล้วย่อมเกิดวิบัติสันร้อนใจภายหลังแต่คนที่ทําความดีแล้วย่อมไม่เกิดแต่คนบางคนที่ทําความดีแล้วเหมือนจะว่าๆแล้วมันหมายถึง จะบวชรูปสักคนนึงก็บวชเพราะเห็นแก่จะเอาหน้าจะแข่งคนอื่นครับแล้วก็ทําไปอกุศลล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เพราะทําบุญพอทําไปแล้วมันก็เกิดความเรียกว่าภาพพลั้งภาพพลั้งคือเกิดผลเสียไม่ได้รับความสุขความร่มเย็นใจภายหลังที่ต้องไปก่อหนี้เพราะการอันนี้ก็เกิดความเดือดร้อนใจเพราะ แล้วใครที่ทําบุญอิสระจากอกุศล หลอกให้เราเนี่ยไปทําบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นบุญที่มีโมหะเข้าไปเกี่ยว ที่มันเป็นเรื่องเสียหายตามหลังมาเราจะเล่าร้อนให้คนไม่ เขาคุณให้สตางค์ไปแล้วเราก็ยิ้มเลยเพราะเรารู้ๆก็เรารู้ล่วงหน้าถ้าบังเอิญ บริษัตรเวลาท่านให้ทานเนี่ยท่านมองทะลุหมดไม่ใช่ให้เพราะหรือเพราะความเห็นแก่มั่น มันจะสักสายนะทีนี้ก็ว่าเรามาพูดตรงนี้ต่อเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความสักสายสักสายกุศลที่อย่างสักสายนะ แล้วก็พัฒนาจิตให้เกิดกุศลธรรมจาริกธุดงค์ไปสู่ที่นั่นที่ อย่างคนไปเที่ยวเตร่ดูนั่นดูนี่จิตก็อกุศลคนเที่ยวเตร่เนี่ยนะฮะอกุศลเราคู่เราเช่นว่าไปทัวร์ต่างประเทศไป เป็นหลักส่วนใครจะเกิดขึ้นตัวนี้ไงนั้นเป็นนอกแต่ว่าพระพุทธโดที่สัญจรจากอดิษไปยังถ้ํานั้นถ้ํานี้ป่านั้นป่านี้ เมื่อน่ะเข้าน่ะเข้าก็เห็นว่าการไปๆมาๆเนี่ยชักไม่ดีนะคืออันนี้ก็ยกตัว อย่างนี้ท่านได้แล้วเหมือนกับคนอื่นก็อยู่ในที่เดียวๆกับผู้ที่กระทําฌาน ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่นะฮะไม่ได้พูดไปเที่ยวว่าทําอย่างนี้เพราะว่าเอ่อวิปัสสนาเนี่ยไม่ๆไม่ได้นะฮะต้องกําหนดให้หลากหลายรู้ตรงนู้นรู้ มันเป็นภาวะจําเป็นจะต้องทําแต่ก็ทําเพื่อ และมิได้วิวัฒนาการก็เป็นกระบวนการที่คือ ซึ่งจริงๆก็มีอยู่ในองค์ก่อนแล้วแต่ว่าต่างกันที่ว่า ทำแบบไหนกุศลได้กันเนี่ยก็ต้องชั่ง 4 ฌานนี้ 1 เป็น 1 นะครับผมก็ 3 อย่างเท่านั้นนี่ก็เหมือนกับที่ คือทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จุติปฏิสนธิคือจิตเกิดภวังค์คือจิตที่รักษาองค์แห่งเป็นสัตว์ในภูมินั้นๆไว้ถ้าเป็นอรูปวิบากก็ทําหน้าที่รักษาองค์อัตภาพของความเป็นพรหมไว้แล้วก็จุติจิตก็ทําหน้า การผมก็ยังนึกไม่ออกนะของอรูปปรหมเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกนะนี่ยังไม่ได้มีคนมาอย่างชัดนั้นๆปัญหาว่า ไปเกิดในรูปภพภูมิที่ 1 ไปแล้วก็อยู่จนกระทั่งหมดบุญไม่ได้ทําฌานอื่นที่สูงขึ้นไปเมื่อตายแล้วก็ต้องกลับมาสู่ภูมิที่ต่ํากว่านะฮะ สิ่งผิดกับกามอกุศลกามุศลนี่มันมีไอ้พลังตาที่แรง พูดกล่าวว่าตั้งแต่ปรนิมมิตวาสวดีเนี่ยตายแล้ว ต่อถ้าเป็นฌานกุศลเนี่ยพรหมทั้งหมดเวลาตายผมรวมเอาลูกเอารูปพรหมพูดได้เพราะถ้าอกุศลนําเกิดแล้วก็แปลว่าพรหมนั้นลงไปสู่ อย่างค่อยยังชั่วหน่อยก็ไปเป็นเทวดา 6 5 แล้วก็ไปเกิด เกิดด้วยอำนาจของฌานที่ 5 ก็ไม่มีชีวิตต่อสมมุติว่าฌานสูงขึ้นไปเค้าไม่ได้ทําก็อยู่จนหมดบุญหมดที่ทําให้ตัวเองไปเกิดเป็นตนนั้นเก 4 ที่ 3 แทนที่ว่ามันคอยจ้องอยู่ว่าไอ้ปัญจมฌานมันหมดเมื่อไหร่มันจะทําหน้าที่เอามานําต้องทิ้งหมดเหมือนฉลาด อาจิตติต้องสละสละคือไม่เอาไว้เป็นของตัวเองจะสละได้ดีแต่ระดับแต่เขาถึงว่าเป็นเอ่อปัญจมฌานชานกุศลมากถ้ากุศลตัวใดตัวหนึ่งขั้นใดขั้นหนึ่งให้ผลแล้วที่เหลือนอกนั้น แต่จริงๆมันเป็นธรรมชาติของมันมันไม่ได้มารู้คิดอะไรยังไงเราทุกคนอยากจะได้ก็ต้องทิ้งคนอยากจะได้ก็ได้ไม่ได้ที่มันหมดโดยธรรมชาติของกรรมระดับนี้นั้นแต่ว่ากรรมที่ไม่ทิ้งสัตว์ทุกภูมิเนี่ยมีเป็นความประเสริฐของกามาวจรบุคคล กามวาจากุศลเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปมันซื่อสัตย์ยุตติอัมดีเหลือเกินเรา เป็นต้นทุนเป็นสิ่งทั้งที่เนี่ยถึงเราเป ไล่ไล่ครั้งหลายๆโอกาสเนี่ยนะเหมือนไม่มีปีมีคุยมันมาไม่ๆๆถอยไป เขาจึงไม่สามารถจะระลึกเห็นบุพกรรมก็เป็นมีสาธิทธิ์ไปได้เหมือนกันในแง่นี้อันนี้เราหมั่นระลึกให้ดีอย่าง ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติวันเวลาผ่านมาผ่านมาผ่านมาผ่านมากว่าหาซากอะไรไม่กรรมกรรม อะไรก็มาทําลายไม่ได้จะไปทํากรรมอื่นแล้วมาทับมาล้างกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรเลยไม่ จึงแม้ว่าจะพยายามแสวงหาปัจจัยเพื่อไม่ให้ตัวล่ะเมื่อเรายังมีความ เหมือนอย่างในพระธรรมบทเล่าถึงพวกตมลงมาลงมาที่ท่านที่บาง เอาเป็นที่พึ่งแท้จริงไม่ได้แต่ระลึกชาติได้เราคงจะเบื่อหน่ายแล้วก็คงจะผิดหวังท้ําใจเมื่ออาจจะอีกทีก็อาจจะทนัดได้มานะเอานิพพานที่มาที่หน้าอกตัวนี้ คิดอย่างลักษณะกิเลสตัวนั้นก็คิดด้วยตัวนี้ก็ 500 กัปที่ไปเกิดเป็นครุชั้นปัญจมฌานเนี่ยเอาแค่ปัญจมฌานภูมิ โดยเฉพาะบาปไม่ให้เอาไปทําอะไรได้ไอ้ก็อ่าเรามันก็เป็นภูมิเรียกว่าเป็นกรรมภูมิเข้าใจว่าเดี๋ยวบ่ายบุญเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่บ่ายหลังอ่าทีนี้ผมก็ เป็นแง่มุมคือบางอย่างเนี่ยผมก็ยังยังไม่ได้คนเห็นหลักฐานเป็นที่ชัดเจนนะแต่ว่าจะกัมมาลมกัมมาลมคือในสิ่งกรรมอะไรกัมมนิมิตรนิมิตของให้เป็น เราจะไปเกิดในที่ใดบางอารมณ์ก็ชัดเลยปวดได้อารมณ์อย่างนี้ฝันน่ะฝันบางอย่างก็ไม่ต้อง แต่บางอย่างนั้นเห็นฝันเห็นเลยเห็นชัดๆเลยเหตุการณ์เออคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยผมถามถามหลังจากที่เราเนี่ยลอง ฌานเกิดทิ้งอารมณ์กสิณนะทิ้งอารมณ์กสิณแล้วก็ไปจับเห็นสวรรค์วิมาน หน้าพ่อแม่ของพ่อแม่ประธานที่ภูมิในประเทศที่เราจะเกิดกับกันในกามภูมิเนี่ยแน่ เป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมแล้วแต่อารมณ์ถ้าเป็นอรูปพรหมก็ชัดเจนเลยว่าเป็นอรูปพรหมชั้นไหนมีอารมณ์เป็นอะไรอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์ก็หมายแล้วไปเกิดในภูมิ <c oughs> จะถามว่ากรรมอารมณ์กับกรรมนิมิตอารมณ์ต่าง จะนึกถึงกับปีก็ได้ก็นึกถึงพระนึกถึงกัสสิก็ได้อุปกรณ์ในการทํากรรมก็ได้สถานที่ก็ได้ จนละหลับตาไม่ถึงวันเนี้ยเราเคยทําบุญถึงจะแกล้ง ไม่ใช่แค่นึกเอาเหลาๆเอ่อพวกพลมเนี่ยได้ฌานอารมณ์ที่จะปรากฏนั้นได้ส่วนที่เป็น อารมณ์ข้อนี้เป็นไม่ใช่นิมิตธรรมดาเลยครับเป็น พอสภาวะตอนนั้นมันเป็นกรณีพิเศษของอย่างพวกเราแต่พวกพรหมก็เถียงกันธรรมดาที่พูดถึงมนุษย์ตายโดยลมเนี่ยทีนี้พอพรหมตายจากตมมาเป็นมนุษย์นี้เป็นรู้มั้ยรู้รู้เหมือนอย่างเทวดารู้เทวดา มีนิมิต 5 ปรากฏพวกพลมุษก็ไม่ได้มามีเหงื่อไหลมีอะไรก็ไม่ ที่วางไว้ในเบื้องต้นว่าคนจะไปเกิดในแม้แต่คนตกองค์ตกใจก็มีอารมณ์ชัก นอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ผวาโดยไม่นอนผวาใช่มั้ยล่ะบางทีนอนอยู่อาจจะเอามือไปตะกุยตะกายก็มีบางทีก็ชักขากลับบางทีก็อาจจะพลิกตัวกลับทําไมเราถึงแสดง บางทีก็อาจจะประหวาว่าเรากําลังขับรถอยู่รถกําลัง ภพที่จะเกิดใหม่ที่จะเกิดเพราะผมยังไม่ได้เจอหลักแต่กันที่นะฮะอาจจะเป็นอย่าง อารมณ์เนี่ยไม่มีจิตเวลาไปเกิดนั่นมีอารมณ์ จิตอยู่ๆก็ดับหายไปเฉยๆไม่ได้มีจิตโผล่ขึ้นมาไอ้ๆแล้วก็ดับแล้ว สำหรับตรงนี้น่ะทีนี้เราก็มาโยงเทียบกันว่าเช่นเป็นดินดอนที่สภาเนยตะโพธิสัตว์ ต่อเนื่องจากว่านี่ผมว่าแล้วนะเนื่องจากว่ารูปบริชมเนี่ย จริงๆก็ไม่น่าอ่าผมก็เลยไปถึงข้อนี้ก็เป 3 เป็นวิบากที่ปรากฏในรูป <ๆ. S 2> หลบๆหลานจากภูมิอื่นนิยตาโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ พระเมตตาโพธิสัตว์เนี่ยผมลองไล่ตั้งแต่นรกขึ้นมานะพระโพธิสัตว์ลงนรกได้มั้ยแล้วโพธิสัตว์ไปเป็น ก็โทษอ่ะเป็นเหี้ยยังเกิดแหละ 4 เป็นเหี้ยไปดกไม่มีสัตว์ที่เล็กนกกว่านกกระจาบมีแต่นกกระจาบเล็ก นรกไม่ไปเกิดนะคือความปรารถนาของพุทธคุณนั้นคอยจะคุ้มกัน ตั้งเปตะรหุลกายส่วนใหญ่จึงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไว้ข้างหลังก่อนพอไปถึงโอกาสจะบรรลุก็ขอเปลี่ยนขอยกเลิกขอบรรลุธรรมก็เข้านิพพานไปไม่ต้องไป แต่รับการรับรองจากพระศีลรูปภิกขุนียี่บิรูปอุบาสก 100 คนอุบาสิกา 500 คนก็ไม่ 6 6 ชั้นนี่ได้หมดเว้นแต่จะในตําแหน่งเป็นมารได้นั่นเองอ่ะว่าไม่เป็นมาร แต่ว่าตอนที่เบียดเบียนเนี่ยยังไม่ได้เปะยังไม่ได้รับอุตตวิบากรนะก็ถือว่ายังไม่ใช่เนี่ยตโมคลาณะยังเคยแตแต 3 อรูปพรหมทั้ง 4 ไม่ไปสุทธาวาส 5 อย่าว่าแต่พระนิยตติโพธิสัตว์แม้ใครคนอื่นที่ไม่ใช่พระอนาคามีก็ไปไม่ได้พุทธเจ้านั้นเคยเสด็จขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้ไปเกิดมีในมรรคสูงๆ1 เสด็จขึ้นไปไล่มาตั้งแต่สวรรค์ชั้น ไม่ได้เสด็จขึ้นไปในอรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปไม่ได้คือไปต่อไม่ได้ ด้วยจามาใจจ่ายกันหาไม่เจอก็เลย 3 กลุ่มนะครับปกติ 3 กลุ่มนี่มัน ก็เป็นพระอรหันต์ในภูมิ 10,000 แล้วได้อรูปฌานนะผมถูกยิ่งอยู่ในยุคต้นๆแล้วก็ แล้วก็ได้บําเพ็ญวิปัสสนาต่อบนนอนจนได้ ศักกาทาคามีมรรคได้อนาคามีมรรคได้ละสมรรคได้แต่สวดาปฏิมากรไป จะแยกก็ไม่มีความหมายไม่ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าเป็นข้อยก จึงๆความคิดนอกตัวนี่ไม่มีแล้วก็โดย โดยหลานหลุดพ้นเนี่ยก็หลุดพ้นว่าเป็นนามภายในในจุดหลุดพ้นที่เคยว่าบางคนกําหนดรูป กำหนดนามภายในมาแต่โลกิยวิปัสสนาแล้วก็หลุดออกจาก มีเจโตปริยวิญาญกำหนดรู้ใจคนอื่นแล้วตัวก็ตายมาเกิดเป็นนุบพรมทําไมจึงไม่เข้าเจโตปริยวิญาญ ทำไมไม่เอาความสามัญเลยมาใช้อันนี้เลยเขาบอกเลยว่าอาปินญายามทั้งหมดเนี่ยในอรูปภพไม่เกิดมีไม่ได้ตาที่ ลักษณะของความสําเร็จแห่งบุคลิกภาพความหลีกเล้นอย่างที่ตัวเองต้องการเหนือกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดการที่จะเที่ยวไปชม สามารถทางชานั้นก็ได้จํากัดตัวเองสมมโนรปนิธานฌานฌานธรรมให้อยู่อย่างเอกเทศซึ่งแน่นอนในแง่ ที่เขาประสบฟังได้สมบูรณ์สุดในแง่ของโลกิยะวิสัยแต่ในแง่ของความเจริญในธรรมก็ดีการสร้าง ย่อมมีโสมณธิการการใส่ใจโดยแยกภายใน อะไรพี่ดกเรื่องอ่านมินิสในโดเนี่ยนะแต่ความจริงเรื่องนี้น่ะเนื่องจากว่าเห็นว่าเราคุณเคย เราจะคึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่ว แก่อาลารดาบทกาลามโคตรก่อนเธอจักรู้ทั่วถึงธรรมมีได้จับกันที่มีว่าาลารดาบทกาลามโคตรสิ้นชีพได้ 7 วัน จึงทรงดําริว่าอาราณดาบทกาลามโคตรเป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่อันเก่งนะครับไปทําว่ามี เป็นความเพียรใหญ่พวกเราพอคิดออกแต่กลับเพราะพอเผลอได้ฟังคํานี้จะคงรู้ชั่วถึงธรรมได้จับธรรมเดี๋ยว และนี่จะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าคืออาล่าระดับบทคนที่ 2 คือคือใครอ่ะปุฏกา 4 ให้ อันจะนึกตามลําดับคนที่ 1 ปากคนก่อนบอกคือในหลายๆที่เนี่ยมักจะมีนะแล้ว แล้วบางคนก็ถามว่าเรื่องนี้ทรงรู้อย่างเช่นว่าจะทรงพยากรณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ๆน่ะเหตุการณ์หลายเรื่องก็ แต่เทวดาก็แม้รู้สึกว่าขวนขวายในกิจมี 2 ทางแห่งการรับ ที่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นความเสียหายซึ่งแนวเมื่อก่อนเวลาอาจจะเคย เนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนมันเป็นเหมือนสุญญากาศเพียงว่าเป็นสุญญากาศไม่ใช่ลมไม่ใช่นะลมนึงถือเป็นรูปถามว่าถ้าไม่ที่ตัวจิต มันธาตุละเอียดมันก็ร่างกายเราเนี่ยเราไปอยู่ในที่ที่มีสิ่งคุ้มนะหรือถ้าเป็นตัวคน มันจึงเข้าไปดลใจเข้าไปสิงไม่